มีในสมัยหนึ่งทมบูฟังพระพุทธเจ้าของเราประทับอยู่ที่เขตเมืองเวรัญชาในสมัยนั้นก็มีคนที่ก็เป็นผู้ใหญ่ในเมืองนั้นเขาก็ชื่อว่าเวรัญชพรามพอรู้ว่าพระพุทธเจ้ามาประทับอยู่ในเขตเมืองของตนที่ราบปาด้านนอกเมืองเนี่ยเข้าไปหาพระพุทธเจ้าทัมบูฟัง คือพระรมคนนี้เขาก็ยังไม่มีศรัทธาในต่างคำสอนของพุท ธ, ธะได้ยินแต่กิติศัพท์ชื่อเสียงว่าเป็นสัมมาสัมพุโทโธเอแต่ว่าทำไมไม่ลุกรับไม่กราบไหว้ใครไม่เชื่อเชิญด้วยอาสนะไม่มีสัมมาคารวะนั่นด้วยทิฏฐิความเห็นที่เป็นแบบนี้เขาไปหาพระพุทธเจ้าหน่ยก็โจทย์ทันก่อนเลยว่าเอาท่านพระโดม เป็นคนไม่มีสมาคารวะไม่มีรสนิยมไม่มีวัฒนธรรมไม่มีมารยาทนั่นคือกล่าวโจทย์พระพุทธเจ้าในลักษณะนี้นะครับที่ท่านใช้เนี่ยเขใช้คําว่าไม่มีรสในที่นี้ก็คือหมายถึงไม่มีสมาคารวะไม่มีรสนิยมวัฒนธรรมแบบนี้ไม่มีในที่นั้นพระพุทธเจ้าก็าตอบในลักษณะที่จะเป็นการแสดงธรรมให้พราหมณ์นี้เขาฟังในรายละเอียดเรื่องที่พระพุทธเจ้าตอบกับ เวรัญชารามอย่างไรเนี่ยข้าพเจ้าจะนำเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านบูฟังในอีกวาระหนึ่งแต่ประเด็นที่ต้องการจะนำมาพูดในวันนี้ก็คือว่าพอเวรัญชาวรมมาโจยพระพุทธเจ้าด้วยข้อหาเรื่องราวต่างๆเช่นเป็นคนไม่มีสมมาคารวะไม่สอนให้คนทำอะไรให้ทำลายสิ่งต่างๆเป็นคนรังเกียจเผาพลานไม่ได้ปุดได้เกิดเนี่ยพอพระพุทธเจ้าแสดงทาให้เขาเห็นแจ้งละ มีความอานฮารร่าเริงเนี่ยเวรัญชปรามเนี่ก็ได้นิมนต์ให้พระพุทธเจ้าจำบรรษาที่นั้นและมีความศรัทธาเกิดขึ้นละประกาศต้นเป็นอุบาสกละก็เลยนิมนต์ให้พระพุทธเจ้าจำบรรษาในที่นั้นในบรรษานั้นท่านผู้ฟังมีเรื่องที่น่าสนใจก็คือว่าท่านพระสารีบุตรของเราท่านมีความบริวิโตคว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องของศ า, ศาสดาองค์ต่างๆ ก็คำสอนนั้นอยู่ในนานบ้างได้สั้นบ้างแต่ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นก็จึงเข้าไปถามพระพุทธเจ้าตอนนั้นรู้สึกจะเป็นประมาณพรรษาที่12ท่านมาฟังมีศาสนาประกาศศาสนามาแล้วได้12ปีพระพุทธเจ้าก็บอกท่านพระสารีบุตรบอกว่าที่ศาสนาของพระพุทธเจ้าเช่นพระพุทธเจ้าวิปัสสีสิกีเวสภูเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่ได้นาน เพราะว่าไม่ได้ท่งควรควายมากในการแสดงธรรมไม่ได้ควรควายมากในการที่จะบัญญัติสิกขาบทไว้ไม่ได้แสดงปาฏิโมกข์แล้วก็ท่านก็ควรควายในการที่จะกําหนดรู้วาระจิตของสาวกแต่พอกําหนดรู้วารจิตของสาวกเทศให้ฟังละให้ทําจิตอย่างนี้อย่างนี้วางอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้เอาสาวกบรรลุหมดแล้วมันก็ไม่ต้องปูดอะไรกันมากสิกขาบทก็ไม่ได้อยู่นาน พอสาวกเหล่านั้นล่วงลับตับขันไปพระพุทธเจ้าปรินิปาลไปคำสอนก็ไม่ได้ตั้งอยู่นานแต่ในขณะที่สมัยของพระพุทธเจ้ากักขสันทะโกนาคมณะหรือว่ากัส ป, ปะเนี่ยท่านมีความควรขวายมากในการแสดงธรรมมีการแสดงธรรมไว้อย่างละเอียดบัญญัติสิกขาบทมีการแสดงปาฏิโมกข์แต่ในทีน่นี้ไม่ได้บอกว่าท่านเหล่านี้มีการขวนขวายในการกาหนดจิต ของสาวกหรือเปล่าแต่สิ่งกระเรียวก็คาดว่าคงจะไม่ได้มีธรรมมากเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าวิปัสสีเป็นต้นเนี่ยที่ขวนขวายกําหนดรู้จิตนต่นไม่ได้ทํามากขนาดนั้นแต่ว่ามาขวนขวายในการกําหนดบทเพียนชนะแสดงธรรมมากกว่าทําให้ธรรมะที่แสดงออกมานั้นมีมากมีศิกขาบทประกาศไว้เยอะมีการแสดงปาฏิโมกข์พอภิกษุเหล่านั้นร่วงรับดับการกันไป พระพุทธเจ้าบริรณิพนธ์ไปเนื่องจากสิกขาบทมีมากเนี่ยคนรุ่นหลังก็ได้ศึกษาทำความเข้าใจทำให้าศาสนาเนี่ยตั้งอยู่ได้นานพระพรุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไปตรงนี้ตัางบังเปรียบเหมือนกับดอกไม้ที่วางอยู่บนแผ่นกระดานมีพื้นเรียบเนี่ยถ้าบอกว่าลมพัดมันก็กระชากรกระจายไปได้แต่ถ้าเอาได้มาร้อยเรียงกันอาไว้เอาได้มาร้อยเรียงกันเอาไว้ ดอกไม้เหล่านั้นก็จะไม่กระจัดกระจายไปอันนี้ก็คือเปรียบเหมือนกับสาวกในรุ่นหลังๆเนี่ยจะมีชื่อสกุลวรณนะอะไรต่างกันทั้งหมดน่ะแต่พอบวชกันมาแล้วก็มาอยู่ในสิกขาบทเดียวกันจะสามารถขีกันเป็นหมู่พวกเดียวกันเข้ากันได้ทำให้ศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้ากากุสันตะโกนากรรมะนะและกัสปะเนี่ยตั้งอยู่ได้นานในที่นั้นทั้งรัง เป็นบราาิสัทธ์ในบจึงช่วยโอกาสในการที่จะขอให้พระพุทธเจ้าบัญญัติสิกขาบท ต, ต่างๆบัญญัติข้อหมวดธรรมะมีการแสดงปาติโมกข์แต่พระพุทธเจ้าบอกว่าอยังไม่ได้เกิดข้อไม่ดีในหมู่สงฆ์คือถ้าหมู่สงมีมากขึ้นมีภิกษุที่บวชนานแล้วเป็นสงฆ์หมู่ใหญ่เนี่ยอาจจะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นพอมีสิ่งไม่ดีขึ้นก็จะบัญญัติสิกขาบทเพื่อให้กําจัดสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นออกไป ในวันนี้จึงต้องการจะมาพูดถึงคเครื่องมือที่จะร้อยรัดร้อยเรียงให้หมู่ทรงนี้มีความพร้อำเรียงเหมือนกับกองดอกไม้ที่มีได้ร้อยเอาไว้สิกขาบทต่างๆที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ทั้งังก็เพื่อที่จะให้มีคําสอนนั้นตั้งอยู่ได้นานเรื่องราวที่ข้าพเจ้าเล่ามานี้ก็เป็นต้นเหตุทั้งหมที่พระพุทธเจ้ามีการบัญญัติสิกขาบทต่างๆซึ่งสิกขาบทที่สําคัญสําคัญเลย ที่มีการทําเป็นข้อเป็นข้อเนี่ยนั่นคือเรื่องของพระวินัยในทางของพระสงฆ์เรื่องพระวินัยที่มีความสําคัญมากที่สุดเลยเนี่ยนะที่ยังแสดงถึงความเป็นพระเป็นสงฆ์เนี่ยไม่ใช่ที่เครื่องแบบที่เป็นการห่มผ้ากาสายะหรือว่าโกนผมไม่ใช่ตรงนั้นคือได้เป็นแค่นั้นเนี่ยเราก็เอาผ้านี่ไปห่มเด็กแล้วก็โกนผมเด็กเอาเด็กนี่ทารกนกี่ก็เป็นพระแล้วมันไม่ใช่ตรงนั้นทุกฝัง สิ่งที้สําคัญของความเป็นภิกษุคือเรื่องของศีลคือเรื่องของข้อปฏิบัติในหมวดของวินยัยเรื่องของศีลของพระมีหลายข้อหลายอย่างหลายประเด็นแในวันนี้จึงจะนําเรื่องของหมวดวินยัยที่เรียกว่าปาราชิกเนี่ยหมายดับวังได้ฟังกันอันดับแรกต้องทําความเข้าใจในเรื่องของคำอาบัติซะก่อนคือในคําสอนของพุทธะเนี่ยมีส่วนที่เป็นวินยัยแในวิ น, ยนัยหมายถึงศีลหมายถึงเป็นข้อปฏิบัติทางกายทางวาจา ที่ต้องทําอยู่เป็นประจำทีนี้ถ้าบอกว่าทําไม่ถูกทําไม่ดีประพฤติผิดในาการที่ประพฤติผิดประพฤติไม่ถูกล่วงใบเนี่ยเกินขอบเขตที่กําหนดเอาไว้ในาการเกินขอบเขตเนี้ยออกไปเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอาบัติอาบัตินี่มาจากศพท์คําว่าต้องนะคือถ้าสมมุติว่าเราพูดถึงว่าขอบเขตของพวงดอกไม้ที่พระพุทธเจ้าร้อยเรียงเอาไว้ใช่ไหมทีนี้เพราะถ้าเลยเกินขอบออกไปมันจต้องมาถูกสัมผัสโดน การโดนกันการต้องกันตรงนี้จึงมาจากศัพท์ที่ใช้คําว่าอาบัต์นั่นเองอาบัต์แปลว่าต้องก็ได้แปลว่าล่วงละเมิดก็ได้แปลว่าถึงขอบเขตแล้วเกินเกินขอบแล้วนะเกินขอบไปขนาดไหนถ้าเกินขอบไปขนาดที่เรียกว่ากลับมาเป็นพระไม่ได้อีกหมดจากความที่จะอยู่ร่วมกันอีกต่อไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้พ่ายแพ้ชื่อว่าเป็นอาบัต์ปาราชิกนะคือล่วงเกินขนาดที่ว่าไม่สามารถกลับมาเป็นพระได้อีกหรือว่าถ้าล่วงเกินขนาดที่ยังพอกลับมาได้ ก็จะเป็นอาบัตหรือการล่วงละเมิดหรือการต้องที่ลดน้อยลงลงไปวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของอาบัตปาราชิกธรรมวั ง, งในธรรมะวันในนี้สําหรับพระภิกษุแลนะท่านผู้ฟังที่มีความคิดว่าจะบวชในพรรษาควรทําความเข้าใจในเรื่องศีลของพระให้ดีหรือว่ามีความเกี่ยวข้องกับภิกษุก็ควรจะมีความรู้ในเรื่องสิก ข, ขาบทชของพระในส่วนนี้หรือว่าศึกษาในทางคําสอนแม้เราจะเอาแต่นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอะ ก็ควรจะมีความรู้ในเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าจะทําให้เราสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆได้ในเวลาที่พระพุทธเจ้าบัญญัติสีขาบทเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าอยู่ๆพูดขึ้นลอยๆทั้งหมฟังอยู่ๆนึกก็งั้น ก, ฉนก็ฉันก็จะบัญญัติแล้วนะต้องมีเหตุต้องมีเหตุในเรื่องของบาราชิกในที่บอกว่าเป็นอาบัติที่ล่วงละเมิดชนิดที่ไม่สามารถกลับมาเป็นภิกษุได้อีกการจะความเป็นภิกษุไปเลยเนี่ยก็มีอยู่4ข้อด้วยกัน สามทีท่านใช้ก็จะเรียกว่าเป็นปาราชิกสีในข้อแรกนั้นก็คือเป็นผู้ที่เสพเมถุนและในครั้งแรกนั้นก็คือท่านพราสุตินะะคือในพรรษานั้นเป็นภาษาที่12เนี่ยพระพุทธเจ้าจําพรรษาอยู่ที่เมืองเวรัญชาใช่ไหมพอออกพรรษาแล้วก็เดินทางไปยังเมืองพาราสีผ่านทางท่าปยาคะแล้วก็มาถึงเมืองเวสาลีพอพักอยู่ที่เมืองเวสาลีตังง้งวัง ในเมืองนี้มีบุตรเศรษฐีคนหนึ่งชื่อว่าสุตินะเป็นลูกของเศรษฐีก็มาได้มีโอกาสฟังธรรมของพระพุทธเจ้าในเมืองเวสาลีก็ได้มีความคิดว่าอยากจะบวชลักษณะการที่ท่านจะบวชเนี่ยก็เหมือนกับท่านพระรัฐบาลเลยที่ว่ามาขอพระพุทธเจ้าเป็นคนสุดท้ายมีศรัทธามากเลยพอมาขอแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องขออนุ ญ, ญาตมารดาบิดาก่อนนะ ก็เลยกลับไปขอมารดาบิดาพ่อแม่นี่ก็ไม่ให้บวชละเพราะว่ารักลูกมากโอ้ยลูกแม้ยุงแม้ลิ้นก็ไม่ให้ตายไม่ให้ตอมให้มีแต่ความสุขสบายความตายก็ไม่อยากให้ลูกมีแล้วไหนจะให้ลูกออกจากเรือนไปบวชได้พ่อแม่ไม่ให้พูดกันอยู่อย่างนี้สามครั้งก็ไม่อนุญาตน า, นายสุทินานนีก็เลยอดข้าวเป็นเวลาเจวันนี่เหมือนกับกรณีของท่าน พระรัฐบาลเลยนะพระรัฐบาลนี่ก็ขอบวชพ่อแม่ไม่ให้ก็อดข้าวอยู่7วันเหมือนกันแล้จะตั้งเพื่อนมาพูดคุยด้วยก็ไม่ต่อคำละไม่ให้ก็ไม่ต้องพูดจะเอาตรงนี้แหละเป็นที่ได้บวชหรือเป็นที่ตายในสุดท้ายเพื่อนก็ไปช่วยพูดกับพ่อแม่ให้แต่พอพ่อแม่อนุ ญ, ญาตว่าเอา้ามันไม่อยากให้ตายเอาให้บวชก็แล้วกันแต่ว่าต้องมาเยี่ยมบ้านบ้างนะท่านสุทินะนี่ก็เลยได้โอกาสบวช บวชแล้วก็จําปรรษาอยู่ที่ในแควนวัวชีอยู่ที่ตําบลตําบลหนึ่งคือในแควนวัวชีเนี่ยจะมีเมืองหลวงคือเมืองเวสาลีนะพระสุทินานี่บวชแล้วก็จําปรญหาอยู่ในแควนี่แหละแต่ว่าไม่ได้อยู่ในเมืองเวสาลีอยู่ตําบลหนึ่งที่ไกลไปหน่อยทีนี้ว่ามีในสมัยหนึ่งที่ในแควนวัวชีเนี่ยมีข้าวยากหมากแบงแต่ตัวเองก็โดยความคิดที่ว่าเออบ้านของเราเป็นเศรษฐีน่าจะยังเลี้ยงเราได้สักวันละมือ้อ ก็เลยกลับเมือที่เมืองเวสาลีและเพื่อที่จะมาให้ที่ครอบครัวนั้นได้อุปถัมภ์ลักษณะาการมานั้นก็คล้ายๆกับท่านพระรัตบานอีกเหมือนกันก็คือมาแล้วก็ได้อาหารที่เป็นขนมค้างคืนก็เออกมาทิ้งก็เลยเอามาขอใส่บาตรกินตรงนั้นพ่อแม่เห็นแล้วก็เลยนิมนต์ให้ไปฉันที่บ้านดีกว่าแต่พ่อของท่านพระสุธินะ น, นั้นก็จัดกองเงินกองทองเอาไว้แต่แต่ว่าแค่สองกองนะ กองท่านพระรัฐบาลนี่จะสามกองแต่ของท่านพระสุธินะเนี่ยสองกองคือเงินและทองแล้วก็จัดผู้หญิงที่เคยเป็นภรรยาเก่าๆเนี่ยให้มาแต่งตัวให้ดีมาคอยประคบประ ง, งมจัดเลี้ยงอาหารพอไปถึงบ้านแล้วมารดาก็ขอให้ศึกอีกเหมือนกั น, นมาขอร้องให้ศึกมาอยู่คลองเรือนท่านพระสุธินะนี่ก็ไม่ยอมพ่อก็เลยเปิดกองเงินกองทองให้ดู พระสุทีนาก็เหมือนพระรัฐบาลเลยท่านผู้ฟังก็บอกให้พ่อเนี่ยเอาเงินเอทองเนี่แหละไปทิ้งเพราะมันจะทําให้ท่านทุกข์คือพ่อคิดว่าจะสอนลูกชวนลูกให้ศึกแต่ว่าลูกคือพระสุธินาดีดันมาสอนพ่ออีกทีนี้ทีนี้เรื่องเราก็ดำเนินไปท่านผู้ฟังอันนี้คล้ายๆกับท่านพระรัฐบาลละจนกระทั่งถึงจุดตรงนี้นคือพ่อของท่านพระรัฐบาลเนี่ยเตรียมคนที่มีกําลังแข็งแรงจะถอดจีวรถลกให้ศึกเดียวนั้นละแต่พ่อของท่านพระสุธินาเนี่ย ไม่ได้ทําอย่างนั้นมีแต่แม่เนี่ยที่ขอร้องตัมบูฟังตรงนี้ขอร้องว่าอา้าวถ้าไม่เซิกเนี่ยก็ขอให้มีลูกสืบกสกุลก็แล้วกันตรงนี้แหละตัมบูฟังที่เป็นจุดต่างกันดังนั้นพระพรุทธเจ้าจึงยกย่องท่านพระรัฐบาลเนี่ยว่าในบรรดาผู้ที่บวช ด, ด้วยศรัทธาทั้งหมดเลยนะท่านพระสุทินะเ น, นี่ก็เห็นอยู่ว่าบวช ด, ด้วยศรัทธาท่านพระรัฐบาลแล้วก็จะมีพระอีกหลายรูปที่บวช ด, ด้วยอาการอย่างนี้ต้องอดข้าวเจ็วันกว่าจะได้บวช พ่อแม่ก็มาชวนศึกก็ไม่ศึกแต่ท่านพระรัฐบาลเนี่ยจะเป็นยอดที่สุดนนในบรรดาของผู้ที่บวช ด, ด้วยศรัทธาะยอดกว่าท่านพระสุตินะยอดกว่าพระรูปอื่นๆยอดตรงไหนเพราะว่ากา ร, รประพฤติปรหมจรรย์ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงของท่านพระรัฐบาลเนี่ยมีมากกว่าในขณะที่ของท่านพระสุตินะก็จะมีความเศร้าหมองตรงนี้ตรงที่มารดาของท่านมาชักชวนให้ท่านเนี่ยถ้าไม่ศึกก็ขอให้มีลูกสืบสกุลแล้วกันและด้วยเหตุผลว่า ห้านไหนไม่มีลูกสืบสกุลเนี่ยเงินทองที่มีเหลืออยู่ต้องเข้าครังหลวงตกเป็นของทางราชการแหมไม่อยากให้ทรัพย์สินเนี่ยเสียหายไปเป็นของหลวงนะให้มีผู้สืบสกุลก็ขอให้มาให้ลูกไว้สัหน่อยละกันแต่พูดง่ายๆก็คือให้มามีเพศสัมพันธ์กับภรรยาเก่าเพื่อให้มีลูกเอาไว้เพื่อจะได้สืบสกุลซึ่งในที่นั้นท่านพระสุทินาะก็ยอมตกลงคหว่า โดยความคิดวี่ว่ายังไม่ได้มีสิกขาบทที่ห้ามาไว้ในะจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยธรรมบังก็มีเรื่องของจุลศีลในะที่พระพุทธเจ้าอธิบายว่าตัวพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่เว้นขาดจากการเสดเมตูนั่นเป็นของชาบ้านเป็นของต่ำอันนี้ก็ให้สาวกทําอย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้มีข้อห้ามที่เกี่ยวกับว่าการมีลูกใน ล, ลักษณะที่ให้มีการสืบสกุลนะตัวตนเองก็เลยตีความคิดว่าเออตรงนี้มันน่าจะทําได้แล้วนะก็เลยทําไปธรรมบังก็เลย มีเพศสัมพันพธ์เซเปเมทุนกับภรรยาเก่าสามครั้งภรยาเก่านั้นก็เลยตั้งทองขึ้นประเหตุนั้นลูกที่ออกมานี่ก็ได้ชื่อว่าพีชะในพีชะนี่ก็คือพืชนั่นเองชื่อว่าพืชในที่จ้างชื่อว่าพืชนั่นก็คือเหมือนกับเป็นผู้สืบสกุลเขาก็เรียกท่านพระสุทินะว่าพีชกาบิดาเรียบมารดาของเด็กชายพืชนี้ว่าพีชกามารดาอย่างเงี้ยที น, นี้เรื่องก็แดงขึ้นแล้วเพราะว่า ท่านพระสุทินานี่พอได้เสภเมตุนจนกระทั่งมีลูกขึ้นก็รู้สึกไม่สบายใจว่าเอ๊ะฉันทำไม่ถูกหน้าก็เลยร่างกายพร้อมสะพรัง่งพอคนอื่นพระรูปอื่นถามว่าท่านทำไมเมื่อก่อนก็สมบูรณ์ดีมีผิวพรรณงามทำไมเดี๋ยวนี้ถึงหมองคล้ำลงไปก็เลยเล่าความจริงให้ฟังพี่สุนไลก็เพลงโทตีเตียละก็เลยนำความเรื่องนี้ไปบอกกับร พ, พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จึงบัญญัติสิกาบทขึ้นทา้วัง โดยในตอนนั้นก็เทศกันใหญ่เลยล่ะว่ากิจการกระทำแบบนี้มันเป็นของต่ําเป็นกิริยาที่ชั่วยาบเป็นกิจที่ต้องทําในที่ลับเป็นสิ่งที่ต้องทํากันสองต่อสองมีน้ําเป็นที่สุดแต่เธอเป็นคนแรกที่ทําอกุศลธรธรมก่อนแบบนี้ทําให้คนที่ไม่เลื่อมใสเขาก็ยิ่งไม่เลื่อมใสคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วก็จะเสื่อมความเลื่อมใสแล้วก็เลยบัญญัติสิกขาบทในข้อที่1 น, นี้ขึ้ น, นะเป็นปาราชิกในข้อแรกที่ว่าไม่ให้พรานั้นเสดเมถุน ภิกษุบางรูปนั้นก็มีความเข้าใจว่าเอา้าถ้างั้นไม่แต่งตัวเป็นพระเสเมตุนก็ได้แต่ว่าแต่งตัวเป็นครว่าปลอมตัวไว้แล้วไปเสพอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะในสิกขา บ, บทตรงนี้ก็จึงอธิบายว่าถ้าไม่ได้ศึกซะก่อนนะคือไม่ได้บอกเลิกสิกขาไม่ได้แจ้งความเป็นผู้ถอยกําลังแล้วไปเสพเมตุนเนี่ยถือว่าเป็นปาราชิกเพราะฉะนั้นถ้าต้องการจะเสพคุณก็ศึกไปนะเพราะว่าถอยกําลังแล้วจิตใจไม่ตั้งมั่นละไม่สามารถประพฤติปรหมจรรย์ได้ สึกไปอา้าวไปทําตามที่ต้องการเสร็จ แ, แล้วจะมาบวชใหม่เนี่ก็ค่อยว่ากันแต่ถ้ายังไม่ได้สึกไปแล้วทําเป็นปาราชิกแล้วเนี่ยจะมาบวชใหม่เนี่ยไม่ได้แล้วก็มีรายละเอียดที่เพิ่มเติมไม่ใช่ว่าเฉพาะกับผู้หญิงเท่านั้นยังรวมถึงผู้ชายด้วยไม่ใช่เฉพาะกับคารวาสผู้หญิงหรือผู้ชายเท่านั้นยังรวมถึงนักบวช ด, ด้วยสามนเณรด้วยทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงแต่ไม่ใช่เฉพาะนักบวชคารวาส ยรวมถึงญาติพี่น้องด้วยยังรวมถึงหญิงที่เขาเสนอตัวให้ด้วยแตคือในสมัยก่อนเนี่ยก็ยังมีค่านิยมของความเป็นทาสกันอยู่ทั้งังผู้หญิงบางคนที่เขามีศรัทธาเนี่ยเขาก็อุทิศตัวให้กับภิกษุเลยว่าเอาฉันมีศรัทธาในคําสอนของท่านขอท่านเชิญเสดเมตุนกระฉันแบบนี้ก็มีซึ่งก็ห้ามเหมือนกันเป็นข้อห้ามแม้แต่ศพด้วยแม้แต่สัตว์เดรัจฉานด้วยไม่ว่าจะเป็นทางทวารไหน คือในร่างกายของมนุษย์เนี่ยจะมีทวารหนักทวารเบาแล้วก็ทวารปากใช่ไหมทั้งสามทวารเนี่ยไม่ได้แต่แต่ถ้าเป็นส่วนอื่นๆของร่างกายเช่นขาแขนพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นอาบัตที่รองๆอ ง, องลองมาแต่ก็ยังมีความผิดอยู่นะแล้วในอาบัตปราชิกในธรรมวังมันก็จะต้องมีความละเอียดรอบคอบในเรื่องการวินิจฉัยเนื่องจาเหตุการณ์บางอย่างมันก็เกิดจากการที่ภิกษุเนี่ยไม่ได้ยินยอมแต่ผู้อื่นมาบังคับทํา เช่นกรณีของภิกษุถูกขมคืออย่างเงี้ยมีครั้งหนึ่งภิกษุนอนอยู่แล้วก็เปิดประตูนอนมีผู้หญิงเข้ามาคมคืน อ, อย่างเงี้ยอา้าวพระองค์นั้นเป็นยังไงล่ะจะนี้เป็นอาบัติประรชิกหรือไม่เนี่ยก็ได้รับการวินิจฉัยว่าถ้าไม่ยินดีก็ไม่เป็น่นนไม่ว่าจะในขั้นตอนไหนก็ตามแต่ถ้ามีความยินดีในขั้นตอนใดสักขั้นตอนหนึ่งอันนั้นถือว่าก็เป็นอาบัติแล้วก็เลยมีการบัญญัติสิกขาบทว่าเอาพระเนี่ยเวลา น, นอนเนี่ยต้องปิดประตูนอนนะ ห้ามเปิดประตูอาซาไม่ได้หรือว่าไม่ได้ลงกรอนไม่ได้ซึ่งนี่เป็นข้อปฏิบัติของพระทุรูปอยู่ละเวลานอนเนี่ยต้องล็อกประตูจะเป็นประตูกุฏิหรือประตูห้องของตัวเองก็ตามต้องมีการล็อกให้ถูกต้องในเรื่องของความตั้งใจที่จะถูกบังคับธทำเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวอีกนั่นคือมีหลวงตาคนหนึ่งเป็นกลัวตาก็คือบวชเมื่อแก่ละแต่บวชแล้วก็ทําความเพียรอย่างดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในมีครั้งหนึ่งก็กลับไปเยี่ยมบ้านเดิมของตัวเอง พอนะเข้าไปในบ้านเนี่ยเจอภรรยาเก่าภรรยาเก่าก็บอกให้ศึกบังคับให้ศึกเธอล้าใครบวชเธอไม่ศึกไม่ได้นะก็เลยจัดการข่มขืนพระหลวงตาคนนี้เลยแพอข่มขืนหะลวงตาคนนี้แล้วหลวงตาคนนี้ก็เลยร้อนใจแล้วโอ้ยฉันอาบัติประราชิกเราไหมเนี่ยแล้วก็เลยให้พระพุทธเจ้าตัดสินแล้วก็ไม่ได้มีความยินดีในที่นั้นก็ไม่เป็นอาบัติประราชิกในก้อที่หนึ่งเรียกว่าการเสพเมถุน ในรายละเอียดเรื่องนี้ก็อย่างที่ป้าท่านผู้ฟังไม่ใช่เฉพาะกับผู้หญิงเท่านั้นยังรวมถึงผู้ชายด้วยทั้งนักบวช ด, ด้วยทั้งกะล า, าทด้วยทั้งสัตว์เดรัจฉานด้วยตัวผู้หรือตัวเมียไม่ว่าจะเป็นทางทวานไหนหรือแม้แต่ศพก็ตามแต่ถ้าศพเนี่ยยังเป็นสภาพดีๆอยู่หรือเน่าไปแล้วบ้างนิดนิดหน่อยๆ ย, ยังไม่ได้เน่าเป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็ถือว่าเป็นอาบัติประราชิกทั้งนั้นแต่ถ้าบอกว่าถูกบังคับทำํำ นะถูกบังคับทําแล้วมันต้องเจาะลงไปในรายละเอียดด้วยนะว่าถูกบังคับทำเนี่ยแล้วยินดีในขั้นตอนใด ข, ขั้นตอนหนึ่งหรือไม่ถ้ายินดีในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งที่ถูกบังคับทําก็ถือว่าเป็นผู้พ่ายแพ้เหมือนกันแต่ถ้าไม่ยินดีเลยอันนี้ก็ถือว่าไม่เป็นอันนี้คือในข้อที่1ที่เกี่ยวกับเรื่องของอาบัติปาราชิกแม่จริงๆวันนี้ท่านผู้งคิดว่าจะพูดเรื่องของอาบัติปาราชิกในข้อที่1คือการเสีเมถุน แล้วก็ที่สองในการตี อ, อศัศปัญจุกองไม่ได้ให้แต่รู้สึกว่าเวลาจะไม่พอก็เลยอยากจะเพิ่มรายละเอียดตรงนี้ว่าอย่างกรณีของท่านพระ ส, สุทินะซึ่งเป็นต้นบัญญัติของอาบัตในข้อนี้เนี่ยเราพิจารณาดูแล้วว่าท่านก็ไม่ได้ชั่วร้ายอะไรนะท่านผู้ฟังนะคือเพียงแค่ว่าท่านผิดพลาดในการตัดสินใจนิดหน่อยนล่นลูกของท่านเมียของท่านภายหลังก็ยังมาบวชบวชแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันด้วย แต่ในที่นี้ก็ไม่ได้บอกว่าท่านพระสุธินะเนี่ยภายหลังได้บรรลุธรรมอะไรขั้นใดหรือไม่ที่กัปปเจ้าเคยได้ยินหรืออ่านป่านๆมาในอัตกดาบางเล่มเนี่ยท่านก็อธิบายให้ฟังว่าท่านพระสุธินะเนี่ยมีความร้อนใจในเรื่องนี้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นอาบัตเป็นต้นบัญญัติของอาบัตในเรื่องนี้เป็นคนแรกที่ทําอกุศลธรรมนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็ด้วยความร้อนใจนี้ก็เลยทําให้ไม่บรรลุธรรมแต่ว่าทั้งลูกและเมียของท่านเนี่ยก็บรรลุธรรม นำบวชในศาสนานี้คุณตาคุณยายที่มีความคิดว่าจะให้มีหลานสืบสกุลไปเนี่ยสุดท้ายหลานก็บวช ด, ด้วยซ้ําลูกสะพ้ยก็บวช ด, ด้ซ้ําในเรื่องของต้นบัญญัติไม่ว่าจะเป็นในข้อแรกนี้คือเรื่องของปราชิกในข้อที่หนึ่งปราชิกในข้อที่สองหรือแม้แต่ในข้อที่3ก็ตามทำมาฝังบุคคลที่ทําในครั้งแรกเนี่ยท่านก็ไม่ได้ว่าเลวร้ายอะไระคือมีความตัดสินใจผิดพลาดไปหน่อยต้นนั่นเอง ก็เลยทำให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นพระบระทธเาก็อาศัยการบัญญัติสิกขาบท ต, ตรงนี้ขึ้นเราอาจะดูเหตุการณ์ต้นบัญญัติบางอย่างเช่นเรื่องของท่านพระภารัตวาชะที่มีฤทธิ์มากเนี่ยเป็นพระอรหันนะท่านออกขึ้นไปเอาบาดไม้จันแดงของเศรษฐีในเมืองราชกฤชท่านเป็นพระอรหันเนี่ยก็ยังถูกพระพุทธเจ้าเตือนในเรื่องนี้แเป็นต้นบัญญัติว่าห้ามแสดงฤทธิ์อย่างนี้ก็มีในตอนนี้ต้นบัญญัติเนี่ย จะบอกว่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนชั่วช้าจะพูดโดยส่วนเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องแยกพูดอย่างนี้ว่าทีนี้ในความเห็นของข้าพเจ้าเนี่ยคิดว่าพวกที่ไปทําอนุบัญญัติเนี่ยแย่กว่าพวกต้นบัญญัติอีกแต่ถ้าเราจะเปรียบเทียบกรณีของท่านพระสุทินะเนี่ยนะที่ว่าไปเสพเมตุนกับภรรยาเก่าเป็นต้นบัญญัติใช่ไหมทีนี้พอพระพุทธเจ้าบัญญัติว่าห้ามเสพเมถุนในพวกที่คิดว่าเอางั้นฉันไปทํากับลิงก็ได้ ไปทำกับสเดระชานไอ้พวกเนี้ยแย่กว่าอีกในความเห็นข้าพเ า, กก า, กกะานะเพราะว่าเป็นลักษณะของสีถนนชัยนี่ยก็คือเชียงเมี่ยงตะแบงหนี่เอาไม่ให้ทำอย่างนั้นกันจะทำอย่างนี้เนะ่ไม่ให้ทำในบ้านงั้นจะทำในป่าที่พระพุทธเจ้าบอกนี่กรณีว่าแต่งเครื่องแบบพระถ้าแต่งเครื่องแบบคารวาะไม่เป็นไรไอ้พวกเนี้ยที่มาเป็นเรื่องของอนุบัญญตตัติต่างๆ ต, ตามมาเนี่ยทำไปโดยไม่ได้มีความละอายรู้ว่าห้ามแล้วก็ยังแบบ เลี่ยงบาลีหาช่องของกฎหมายไปทําทําให้พระพุทธเจ้าต้องบัญญัติอนุบัญญัติเป็นสิกขาบทรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมาในข้อนี้พวกนี้ก็มีความไม่ละอายที่มากกว่าอันนี้ความเห็นของข้าราชานะความละอายเนี่ยเขาใช้คาว่าลัชชีผู้ที่ไม่ละอายเขาก็เรียกว่าอารัชชีแต่กรณีของท่านพระสุธินั้นเนี่ยท่านทําแล้วท่านมีความละอายและก็จึงนําเรื่องนี้มาประกาศในหมู่คณะ พอมาบอกในหมู่คือสงแล้วพระบรมเจ้าก็บัญญยัดสิกขาบทนี้ขึ้นเนี่ยเพื่อให้หมู่นั้นมีความสามัคคีกันเพื่อให้ป้องกันสิ่งที่ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นกับหมู่ในการต่อต่อไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งทําให้เกิดการล่วงสิกขาบทนะครัว่าล่วงสิกขาบทหรือต้องสิกขาบทเนี่ยคือมันเกินขอบเขตเกินขอบเขตของความถูกต้องไปละถ้าเกินขอบนี้ ก็ถือว่าเป็นไม่เป็นพระอีกต่อไปนั่นคือสิกาบทถ้าเกินขอบนี้ น, นี่ก็กุศลธรรมมันตกไปกุศลธรรมเกิดขึ้นอันนี้ก็จะมีเป็นข้อข้อไปในวันนี้ได้ให้ท่านผู้ฟังฟังถึงเรื่องของปราชิกในข้อที่1ทีนี้ว่าในเรื่องของปราชิกในข้อที่1เนี่ยถ้าบอไม่ได้ทําอะไรกั น, น, นก็คือไม่ได้มีกิจกรรมที่ต้องมีน้ําเป็นที่สุดเนี่ยต้องทําในที่รับเป็น2องดอสองคือถ้าพูด ง, ง่ายภาษาชาวบ้านก็คือเรื่องบนเตียง หรือว่ามีการเสพเมทุนตามเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอาบัตที่รองๆองลองไป่เป็นความผิดพลาดที่รองๆลงไปเะนันจะมีข้อที่เป็นสังการที่เศษที่จะต้องอาศัยหมู่สงในการที่จะประกาศความผิดของตัวเองในการแก้ไขทําให้ถูกต้องแต่ก็ยังมีความเป็นพระอยู่ทีนี้สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องทําความเข้าใจในเรื่องของปราชิกเนี่ยก็คือว่าไม่ใช่ว่าเออารอาอะไรเราจะไปโจทดใกลสักคนใดคนหนึ่งด้วยอาบัตปราชิกหมดก็ต้องมีการพิจารณาวินิจฉัยให้ดี ให้รับคอบในเรื่องเจตนานี่เป็นหลักที่สำคัญเลยมีพระรูปหนึ่งชื่อพระปันทุกะกับพระกปีล ะ, ละพระสองรูปนี้อยู่ในสมัยพุทธกาลก็ไปเดินทางข้ามแม่น้ำกำลังจะเดินทางไปกรุงโกสัมพีเนี่ยในระหว่างทางข้ามแม่ น, น้ำนี่ก็มีพวกคนข่าหมูแล้วเขาก็มีถุงที่เขาใส่น้ามันหมูเอาไว้เนี่ยเขาแบกมาในเดินข้ามแม่น้าอยู่เนี่ย ปรากฏว่าถุงที่เขาใส่ไขมันของหมูเนี่ยก็ลอยตามน้ำมาเจ้าของคนฆ่าหมูนี่เขาก็ไม่รู้ตัวปรากฏว่าถุงนี้มันก็มาลอยติดเท้าของพระสองรูปนี้พระสองรูปนี้ก็เลยเอาขึ้นฟังให้เพื่อมีความคิดว่าเออจะไปคืนเจ้าของอเจ้าคนฆ่าหมูนี่พอเห็นถุงไขมันเปลวของตัวเองไปอยู่ในมือพระก็เลยไปกล่าวหาว่าพระเนี่ยปาราชิก แตนะท่านไม่ได้มีความเป็นพระอยู่แล้วทําอย่างนี้นไม่ถูกออพระสองรูปนี้ก็เลยโอ้ยเศร้าใจมากเลยโอย้ฉันคงหมดความเป็นพระแล้วจริงๆแต่เดินไปอีกสักพักหนึ่งปรากฏว่าไปเจอหญิงชาวบ้านที่เขาเห็นพระเขาก็มีศรัทธาก็าว่าอ่างนั้นเชิญท่านมาเสพไม้ถุนกันไอ้พระสองรูปนี้ก็เข้าใจว่าเออฉันหมดความเป็นพระแล้วนะเพราะว่าไปขโมยของเขาเอางั้นก็เสพไม้ถุนกันละกันแล้วพอเดินทางถึงเมืองโกสัมพี นำเรื่องนี้เล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังภิกษุทั้งหลายนำมากราบทูลพระพุทธเจ้าแนะพระพุทธเจ้าบอกว่าไอ้ที่เธอเอาถุงไขมันของคนฆ่าหมูมาเนี่ยอันนี้ไม่เป็นอาบัติปาราชิกนะเพราะว่าไม่ได้มีเจตนาแต่ว่าเป็นอาบัติปาราชิกเพราะว่าเสพเมถุนกับผู้หญิงคนนั้นอันนี้เราจึงต้องมีความรอบคอบในการวินิจฉัยในสิกขาบท โดยเฉพายิ่งในเรื่องที่สําคัญสําคัญเรื่องอาบัติหนักอย่างเช่นปาราชิกเนี่ยต้องมีความรอบคอบในการวินิจฉัยอย่างกรณีของการถูกขมขืนอย่างเงี้ยถ้าบอกว่าพระถูกมคมขืนบังคับแล้วเกิดความยินดีในระหว่างเอานี้เป็นปาราชิกแต่ถ้าไม่ยินดีอันนี้ก็ไม่มีปัญหาไม่ได้เป็นอาบัติใดๆทั้งสิน้นทีนี้การตรวจสอบเนี่ยก็ต้องมีการสอบถามกันทีนี้ในการสอบถามเนี่ยก็ต้องพูดความจริงกัน ถ้าไม่พูดความจริงตัวเองยินดีใช่ไหมแล้วบอกว่าไม่ยินดีเนี่ยคนวินิจฉัยก็จะบอกว่าอไม่เป็นอาบัตแต่ว่าความผิดเนี่ยมันเกิดขึ้นในใจอยู่ละตั้งแต่ตอนนั้นอยู่ละแล้วเขาก็จะผิด2ข้อด้วยผิดในเรื่องโกโหกด้วยผิดในเรื่องของการเสพเมถุนด้วยทีนี้เรื่องราวในพระไตัปิดกเนี่ยตระบองเราจะเห็นแต่ว่ามีเรื่องที่เขาบอกตามความจริงทั้งนั้นเลยนั่นคือจับโจรได้พระราชาถามโจรว่าทำจริงไหมโจรก็บอกว่าทำจริงไอ้พวกที่ แต่แบงแททำแล้วบอกไม่ได้ทำเนี่จะไม่ได้มีเรื่องราวของคนเหล่านี้คือเขาจะไม่ได้มาประกาศชื่ออยู่ในพระไตรปิดกเลยก็จะมีเพียงแค่ท่านพระเจ้าเปรตที่โกศลเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าหูเห็นคนกล่าวเท็จทั้งๆที่รู้เห็นบอกไม่เห็นไม่เห็นบอกเห็นทำบอกไม่ทำไม่ได้ทำบอกทำเพราะเหตุแห่งกาลเนี่ยมีอยู่แต่แต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นใครดังนั้นเหตุการณ์ต่างๆที่เราอ่านเจอในพระไตรปิดกเนี่ยเขาก็จะยอมรับความจริงกันทั้งหมด ทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราเจอคนที่ไม่ยอมรับความจริงแบบนี้บันดีก็ต้องมีหลักฐานอะไรต่างๆที่มีการบ่งบอกกันในสมัยนี้ก็มีเทคโนโลยีสูงเช่นการตรวจ DNA การใช้ GPS ตรวจดูว่าคุณเดินทางไปที่ไหนและคุณมีการใช้บริการหรือไม่อย่างไรสอบถามกับคนอื่นๆแต่ทีนี้การสอบถามกับคนอื่นๆมันอา จ, จะให้ความตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างอันนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบเพื่อให้มีความสะอาด เพื่อที่จะคมคนที่เกอ้อยากคือบอกยากสอนยากเพื่อให้เป็นความผาสุก ข, ของหมู่คณะเพื่อที่จะกําจัดสิ่งที่เป็นอคูสุลธรรมที่จะเกิดขึ้นในคราวต่อๆไปในเรื่องของปาราชิกนี้ก็ยังมีรายละเอียดอีก3ข้อทั้งหมดฟังข้าพเจ้าจะนําเหตุการณ์เดิมมาเล่าทั้งหมดฟังฟังในวันต่อๆไปในวันนี้ข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญอภิปุนโนก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จเจริญปณ โยปันมิโกภิกุณังสิกาซาชีวาสมาปโนสิกังอัปัจจคายะดุบเลยังอนาวิกตะวาเมีตุนังตมงปฏิเสเวยะอันตัมโซติราชานาคาตายะปีปาราชิโกโหติอสรังวาโซอั น, นึ่งภิกษุไดถึงพร้อมด้วยสิกาและธรรมเนียมเลี้ยงชีพร่มวมกันของภิกษุทั้งหลายไม่บอกกลืนสิกาไม่ทำให้แจ้งความเป็นผู้ถอยกำลังพึงเสดเมทุนทมโดยที่สุดแม้ในเดรชาตัวเมียภิกษุนี้เป็นปาราชิกไม่มีสังวาส